พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27คริสจฤศจิกายน2558ายมีชื่อเรื่องว่าปล้นเขาเอาไปทำบุญ นกเขารู้สึกว่าขนองแล้วเกินช่วงนี้แล้วก็เมื่อเช้าได้ยินเสียงชนีสมชายร้องแต่ก็อากาศวันนี้รู้สึกว่าผิดปกติรู้สึกว่าเย็นลงเย็นลงกว่าทุกวันที่ผ่านมาคงคงจะเข้าเขตฤดูหนาวไปไเรื่อยๆละ พอมันปลายเดือนพฤศจิกาลนะ่ะปลายเดือนพฤศจิกาเข้าเดือนธันวาเดือนธันวากระเดือนมกราเป็นเดือนที่หนาวในวัดของเราแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่27่สิบพฤศจิกายน์พุทธศักราช2558เกือบจะสิ้นเดือนเกือบจะสิ้นเดือน พฤจิกาแล้วเก้าเดือนธันวาต่อไปก็เดือนมกราเป็นเดือนที่หนาวในบ้านของพวกเราเนี่ยแหละดินฟ้าอากาศมันก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้แหละผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยๆการเป็นอยู่แต่มองมองโลก มองโลกสมัยเราเป็นเด็กคนมันยังน้อยเมื่อเจ็ดสิบปีให้หลังการเป็นอยู่ก็อีกในรูปแบบหนึง่งแต่พอมาถึงยุคนี้จากยุคนั้นมาถึงยุคนี้ถ้าเรานึกย้อนหลังดูอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดคนอื่นนะพูดหลวงพ่อเองตีนหลวงพ่อในความคิดของหลวงพ่อเองหลวงพ่อนึกย้อนหลังดู ก็รู้สึกว่าการเป็นอยู่เจริญไหมทางโลกก็เจริญแต่วพาการแข่งแย่งกันการชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยโอ้รู้สึกว่าใครก็ใคร ก, ใครก็อยากจะวิ่งเข้าหาหลักชัยคือว่าจะเหนือกว่าให้เหนือกว่าใครแต่บางคนก็ กลัววิ่งไม่ทันเขาก็เลยใช้ภาพวิชามารเข้ามาเสริมตัวเองด้วยใช้วิชากิเลสเข้ามาเสริมตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเอาชนะคนอื่นเขาก็มีไม่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นโลกทั้งโลกเขาจึงมีาาศาลพิพากษาตั้งไม่รู้กี่ศาลในเมืองไทยของเรา แต่ก่อนมีแต่สารต้นสารอุทธรสารดีกาแต่ทุกวันนี้มันมีมากกว่าเพราะเหตุไรก็เพาะเน่เพราะคนมันมากขึ้นมาแล้วก็การแข่งแย่งกันการเอารัดเอาเปรียบกันแต่ตามไม่จริงความหมายนั้นถูกต้องอยู่ความหมายนั้นถูกต้องจุดประสงค์นั้นถูกต้องแต่ว่าการกระทาน่ะ ขาดกาลเทศะกขาดการสถ า, า, านที่บุคคลมันไม่ถูกตามกฎกติกาแต่มันวิ่งได้ถึงจุดที่วิ่งได้ถึงจุดหมายแต่วิธีการวิ่งมันเป็นยังไงการออกเล่าการวิ่งอันนั้นคือจุดนั้นมันต้องดูต้องเหตุจะก่อนมันต้องเหตุ เหตุมันเป็นยังไงเหตุถูกต้องไหมผลนะ่ะอผลถูกต้องไหมก็เหตุก็ถูกต้องผลถูกต้องก็ยอมรับกันได้แต่เหตุมันไม่ถูกนะแต่ผลมันถูกอยู่แต่ว่าเหตุมันไม่ถูกนะมันมีนะอทําไมถึงพ่อหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเอา้าสมมติว่ า, เ, าเหตุเนี่ยไปขายยาบ้าไปขายคัญชายาฟินเฮโรอีน อันนั้นคือเหตุแต่พอผลเนี่ยเอาเงินออกมาเนี่ยเอามาทำมาสร้างปุญสร้างกุศลสร้างสาธารณประโยชน์เอามาเอาเงินมาเอามาใช้ให้ถูกต้องแต่ว่า เ, <อ>เงินเนี่ยได้มาได้มาจากไหนเราไปตัวนั้นะไปทำรายทํารยทำรา ย, รายกฎกติกาของเขามากขนาดไหน อันนั้นจุดนั้นแหละจุดที่มันผิดตัวเหตุที่มันผิดนั่นแหละมันต้องพูดถึงจุดนั้นไม่ต้องพูดถึงจุดผลผลนี่ก็คือผลแห่งการได้รับออกมานะั้นถูกต้องแต่ว่าเหตุการที่กระทำลงไปนะั่นที่มันจะมาถึงผลจุดนี้นะ่ะมันไม่ถูกจุดนั้นมันไม่ถูกตามการะเทสามันผิด นั้นฮะแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมองดูมองดูในการถ้าหากว่ามันไม่ร้ายแรงจนเกินไปไม่ร้ายแรงจนเกินไปถ้าจะทํำคดเท่านั้นถ้าจับไปแล้วก็ไปขังคุกก็เสียเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปเลี้ยงคนในคุกอกีก <c oughs> เสียหลายต่ออีกพอยุ่นยว น, นวก็เอายวน ให้อภัยแต่อย่าทำอีกนะแต่โดยมากมันไม่ยอมคนเคยทำาก็ทำไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยดูแล้วเขาจึงมีคุกมีตารางมีการปรับไหมใส่โทษในการอยู่ด้วยกันแต่ว่า้าต่างคนต่างมยต่างคนต่างทตาตามกฎกติกาตาม กฎหมายบ้านเมืองตามจินธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วมันก็ไม่เมียไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่างคนก็ต่างทำํำไปในทางที่ถูกต้องตามกฎกติกาที่ตั้งตั้งเอาไว้เขาตั้งเอาไว้มาแล้วก็ต่างคนต่างเคารพกฎกติกานั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี้มันฝืนกฎกติกาที่ตั้งกันไว้น่ะจุดนั้นแหละจุดที่น่าคิดอ น่าคิดนะแล้วในพวกเราทุกๆท่านนะใหญ่ด้วยการถุกโกรแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมพวกเราต้องสํานึกสำเนีดถ้าเขาเตือนอมาเราก็ต้องมองดูตนเองเอไม่ใช่วดันทหลังเหมือนกับเตือนขี่เล่าเตือนคนเมา เตือนเท่าไรก็ไม่รู้จักจบว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดแต่ตามไม่จริง ม, มันน่าจะมองว่าเหตุที่เขาเตือนเพราะอะไรการที่เราทําออกมาเนี่มันผิดตรงไหนค้นคว้าศึกษาดูใช่ที่ทําถูกนะเจตนาของเราดีแต่ว่าการกระทําของเราเนะี่ยไม่ดีเมื่อการกระทําของเราไม่ดีเขาตำหนิเขาตำห น, นิการกระทําของเรา เราเขาไม่ได้ตําหนิผลแห่งการผลแห่งการดําเนินเดียวนี้ขณะนี้เราดําเนินถูกต้องอพอได้เกินมากกัทอดกระถินในขณะทอดกระถินเนี่ถูกต้องคนก็เห็นด้วยที่ได้เงินมาแต่ว่าตัวเองไปทำเมือนไปขายคัญชายาฟินเฮโลอินไปทําไปป้นไปจีไปกด ไ, ไปโกงเข้ามาจุดนั้นเขาตําหนิจุดนั้นะ ในเมื่อเขาตำหนิเอา้าทำไมทำไมตำหนขิข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีทำความดีข้าพเจ้าไม่เห็นผิดที่ตรงไหนข้าพเจ้าทำดีเห็นไหมข้าพเจ้าทำดีเป็นที่ยอมรับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ใช่การทำดีก็จริงอยู่ในขณะที่ตรงตรงนี้แต่วันวานมันก่อนคุณไปทำอะไรมาเราตำหนิตรงนั้นสิ่งเหล่านี้ มันคล้ายๆกับว่าเราต้องมองมองตั้งแต่นับหนึ่งถึงร้อยเไม่ใช่ว่าเราจะนับร้อยอย่างเดียวเออหนึ่งมันมาจากไหนมันมาจากร้อยมันมาจากไหนมันมาจากหนึ่งแต่ว่าหนึ่งมันไม่ถูกต้องตัวที่ร้อยที่มานก็มัวหมองคล้ายๆม ไ, มไม่ไม่ใสสะอาดไม่ขาวสะอาดตัวรอนะ้อยเนี่ยพอเห็นอะไรพะ มันมาจากหนึ่งนะหนึ่งนะมันเป็นบนทินเพราะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน็คือสรุปแล้วก็ ค, คือหลักธรรมคือหลักเหตุผลเหมือนกันนะลูกหลานนะคณะจัดทา ย, ยาทโยมนะหลักเหตุผลคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าเคยกล่าวอไม่ทําให้ตนเองตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน การอยู่ด้วยการมากมายขนาดไหนก็ไม่ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่เดือดร้อนซึ่กันละกันมนุษยชาติต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยกันแต่ก็มาย้อนถึงจุดที่ว่ามนุษย์มันมากการแข่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นชิงดีชิงเ ด, ง ด, งด่นกันจุดนั้นน่มันเป็นสัญญาณสั ญ, ส ญ, ญ, ญ, ส ญ, ญลักษณ์หรือว่าเป็นเป็นสัญ ชาติยานของมนุษย์การแก่งแย่งกันพอมันมากแต่พอมันน้อยรักกันนะนะคนเราทำมันน้อยคนนักรักกันลนะเพราะอยไรเพราะกลัวผีเดอกกลัวผีหมะเลยถ้ากลัวเขาจะไปจากเรานะ่ะโอ้ตายไม่อยากจะให้เขาไปเพราะกลัวผีนะแต่หลายหลายคนขึ้นมาเนะี่ยเอ้ไม่รู้กันแหนกันแหนไม่รู้ อากับกิริยาอากับกิริยาออกมาไม่รู้ว่ากีริยาตัวกีริยาเพราะอะไรเพราะ ไ, าะไม่พอใจซึ่งกันละกันพวามอิ่มอิจฉาบัางกลัวเขาจะดีกว่าตัวเองบังกลัวเขาจะแย่งชิงาลาภยศสรรเสริญจากตัวเองจากหมู่จากกลุ่มของตัวเองบางนี่แหละมนุษย์ชาติมันเป็นฉันชาติยานของมนุษย์ชาติถ้าสรุป แบบธรรมะแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อแต่มันไม่หนายเบื่อก็ไม่นายถ้าเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นอันนั้นคือธรรมะของพระพุทธเจ้านะแต่มันเบื่อเบื่อบางทีก็เบื่อนายฮะแต่มันไม่คลายเลมันยังอยากอยู่ตุกจงที่มันอยากแต่มันไม่คลายมันยังอยากจะได้อยู่จะบางอย่างอยากจะได้อีกตัวหนึ่งอีกฮะ มันเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายเบื่อเหนื่อยหน่ายแต่มันยังไม่คลายมันก็เลยไม่หลุดพ้นเพราะนั้นเองเบื่อหน่ายคลายแล้วก็ปล่อยวางหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอหลับพอนะเจนีนะหลวงพ่อก็เหนื่อยหน่ายเหมือนกันนะพูดทุกวีทุกวัน